วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ส8แปดพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นวันที่มีการแสดงธรรมและการปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนี้ซึ่งปกติก็จะมี การแสดงธรมปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระและวันหยุดนักขัตตะเลิกท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้สนใจผู้ใฝ่ธรรมก็จะเดินทางมาที่นี่เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจ ให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงการฟังธรรมหรือการแสดงธรรมและการปฏิบัติธรรมนี้ก็จะแบ่งเป็นสองช่วงช่วงสามสิบนาทีแรก <c oughs> ก็จะเป็นการแสดงธรรมหลังจากนั้นสามสิบนาทีต่อมา ก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธิ <c oughs> เพื่อทำจิตใจให้สงบให้เกิดความสุขที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปอาศัยความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนคือความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกาย ทมที่จะมาแสดงในวันนี้ก็คือเรื่องกรรมคำว่ากรรมแปลว่าการกระทำการกระทำนี้ก็มีอยู่สามทางด้วยกันกระทำทางกายทางวาจาและทางใจการกระทำทางกายเรียกว่ากายกรรมการกระทำทางวาจาเรียกว่าวาจีกรรม การกระทำทางใจเรียกว่ามาโนกรรมกรรมนี้กรรมทั้งสามนี้มีมโนกรรมคือใจเป็นผู้สั่งการมาโนกรรมก็คือความคิดนี่เองเมื่อคิดแล้วก็จะสั่งไปที่ร่างกายและวาจาให้พูดให้ทำอะไรต่างๆเช่นวันนี้ ญาติโยมก็คิดว่าจะมาที่นี่เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเมื่อ okay. คิดแล้วก็สั่งการไปที่ร่างกายสั่งการไปที่วาจาวาจาก็จะพูดบอกเพื่อนฝูงญาสนิทริทหายว่าจะมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมก็ใครอยากจะมาก็มาได้เป็นต้น อันนี้เรียกว่าวัจจิกรรมเมามาถึงเวลาก็มีการออกเงินทางมาเรียกว่ากายกรรมการกระทำทางกายเรียกว่ากายกรรมการกระทำทางวาจาเรียกว่าวัจจิกรรมการกระทำทางใจเรียกว่ามนโนกรรมใจเป็นผู้สั่งการผ่านทางความคิดคือมนโนกรรมเมื่อคิดแล้วก็ จะมีการกระทำทางกายทางวาจาตามมาผู้ที่กระทำกรรมนี้คือใจและผู้ที่จะรับผลของกรรมนี้ก็คือใจร่างกายกรบมวาจาเป็นเพียงเครื่องมือของใจเป็นเหมือนผู้รับใช้ใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าว การกระทาผู้กระทาจริงๆก็คือใจโดยอาศัยร่างกายและวาจาเป็นเครื่องมือผลที่จะเกิดจากการกระทาก็จะเกิดขึ้นที่ใจไม่ได้เกิดขึ้นที่ร่างกาย mm hmm. การกระทานี้ก็มีสามรูปแบบด้วยกันคือการทำบุญการทำบาป และการกระทำที่เป็นกลางที่ไม่ใช่เป็นบุญที่ไม่ใช่เป็นบาปเมื่อกระทาไปแล้วก็จะมีผลเกิดขึ้นที่ใจเช่นถ้าทำบุญใจก็จะเกิดความสุขเกิดความสบายใจขึ้นมาถ้าทำบาปใจก็จะเกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาถ้าทำ ถ้าทําแบบกลางๆไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปบก็จะไม่มีความสุขหรือไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นในใจอันนี้คือการกระทำมีสามรูปแบบด้วยกันการทําบุญคือการทําสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นเช่นเราช่วยเหลือคนนั้นช่วยเหลือคนนี้ หรือเรามีของข้าวของอะไรเราแบ่งปันให้คนนั้นคนนี้ไปให้เขาได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากการให้ของเราอันนี้เราก็เรียกว่าบุญเป็นการกระทาที่ทำให้ผู้อื่นมีความสุขแล้วพอเราได้ทำแล้วใจของเราก็เกิดความสุขขึ้นมาความสุขไม่ได้เกิดที่ร่างกาย น่างกายก็เป็นเหมือนเดิมน่างกายไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากการกระทำบุญหรือทาบาปแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือใจของเราพอทําบุญใจของเราก็เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาในทางตรงกันข้ามถ้าเราทําบาปคือทําให้ผู้อื่นเสียหายหเดือดร้อน ใจก็จะทุกข์จะร้อนขึ้นมาทันทีร่างกายก็เหมือนเดิมร่างกายก็ไม่ได้ทุกข์หรือร้อนหรือเจ็บไข้ได้ป่วยจากการกระทำบาปถึงแม้ว่าร่างกายเป็นผู้กระทำก็ตามเช่นร่างกายไปทุกตีไปทำร้ายผู้อื่นร่างกายก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นที่ใจ เวลาใจทำบาปแล้วใจจะรู้สึกไม่สบายจะทุกร้อนขึ้นมาในใจบางทีถึงกับกินไม่ได้หน่อยไม่หลับก็ อ, อยู่กับบาปว่าทำหนักหรือเบาทำมากหรือทำน้อยและบุญผลของบุญคือความสุขและผลของบาปคือความทุกข์ก็จะสะสมไว้อยู่ในใจ พอที่พอเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็จะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปขึ้นอยู่กับว่าบุญหรือบาปจะมีมากกว่ากันถ้าบุญมีมากกว่าบาปใจก็จะอยู่ในสวรรค์เป็นดวงวิญญาณที่มีความสุข เราเรียกว่าสวรรค์ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญใจของเราก็จะทุกข์ก็จะอยู่ในอบายอยู่ในรูปแบบสี่ลักษณะด้วยกันถ้าไปเกิดก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้ายังเป็นดวงวิญญาณอยู่ก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยบ้างถ้าทำบาปด้วยความโลภ ถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีมีแต่ความหวาดกลัวถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะมีความทุกข์ร้อนเผาผลาญจิตใจเรียกว่านารกนี่คือผลที่จะตามมาหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ถ้าเราดูร่างกายแล้วคิดว่าร่างกายเป็นผู้กรทะทาแล้วคิดว่าร่างกายควรจะเป็นผู้รับผลของการกระทำเราก็จะดูไม่ออกเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อร่างกายตายไปแล้วร่างกายก็ย่อยสลายไปกลับคืนสู่สภาพเดิมคือกลับคืนสู่การเป็นดินน้านมไฟไป แล้วใครจะไปเป็นผู้รับผลบุญผลบาปต่อไปใครจะไปสวรรค์ใครจะไปนรกไปอบาบัยอันนี้เราก็จะงงจะสงสัยว่ากรรมมีจริงหรือไม่มตายแล้วมีการไปรับผลบุญผลบาปต่อไปจริงหรือไม่อันนี้ถ้าเราไม่ ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่เข้าใจเพราะเราไม่เห็นเรื่องของใจนั่นเองเราไม่เห็นว่าใจนี่แหละเป็นผู้กระทาบุญหรือกระทาบาปและเป็นผู้ที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปเพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่มีจวดไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกาย ใจเป็นธาตุรู้ที่สามารถมีความรู้สึกนึกคิดที่สามารถมาครอบครองร่างกายได้เวลาที่ร่างกายตั้งท้องอยู่ในตั้งตั้งตั้งตัวเกอะตัวขึ้นมาในท้องของมารดาใจก็จะส่งกระแสวิญญาณมาเกาะที่ร่างกายมาครอบคุมร่างกาย แล้วเวลาร่างกายข้อออกมาจากท้องแม่ใจก็เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแต่เราถ้าไม่ได้ศึกษาเราก็จะไม่รู้ว่ามีใจเป็นผู้คอยสั่งการให้ร่างกายทาอะไรต่างๆให้หัวเลาะให้ร้องไห้ให้ทำอะไรต่างๆนี้เป็นการกระทำของใจผ่านทางร่างกาย <c oughs> แต่ ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราก็คิดว่าเป็นเรื่องของร่างกายล้วนๆน่่นงกายเป็นผู้หัวเราเองเป็นผู้ร้องไห้เองเป็นผู้เคลื่อนไหวเองแต่ความจริงแล้วใจเป็นผู้สั่งการทั้งหมดแต่เนื่องจากใจไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายเอาจึงมองไม่เห็นใจเราก็เลยคิดว่ามีเพียงแต่ร่างกายเพียงส่วนเดียว พอนั่งกายตายไปเราก็เลยคิดว่าเราก็ เ, กเลยงงก็เลยถามว่าแล้วใครจะไปรับผลบุญผลบาปใครจะไปนรกใครจะไปสวรรค์แล้วนรกสวรรค์อยู่ที่ไหน mm hmm. เพราะสมัยนี้เขาก็มีการส่งจรวดขึ้นไปสำรวจในอวกาศบนท้องฟ้า mm hmm. ก็ไม่พบสวรรค์อยู่ข้างบนมีการขุดเจาะลงไปใต้ดิน มีเรือดำน้ำลงไปสู่ใต้น้ำก็ไม่พบนรกแต่อย่างใด mm hmm. เพราะว่านรกแสวรรค์ น, นี้ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ mm hmm. ไม่ได้อยู่ในโลกของร่างกายแต่อยู่ในโลกของใจ mm hmm. ที่เราเรียกว่าโลกทิพย์อันนี้แหละ mm hmm. เป็นสิ่งที่เราจะไม่สามารถที่จะเข้าใจเรื่องกรรมได้เลย ถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้รู้จักคำ ว, ว่าใจไม่รู้จักคำ ว, ว่าธาตุรู้หรือดวงวิญญาณผู้ที่ไม่มีรูปร่างหน้าตามเหมือนร่างกายแต่เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อร่างกายเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆโดยสรุปก็คือให้เรารู้ว่า ผู้กระทำกรรมไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปนี้ไม่ใช่ร่างกายแต่เป็นใจเป็นธาตุรู้เป็นผู้รู้ผู้คิดนี่เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆน่างกายเป็นเพียงคนรับใช้ของใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าวและผู้ที่รับผลของการกระทาก็คือใจ คือความสุขใจหรือความทุกข์ใจนี้ก็จะเป็นผลที่เกิดจากการทําบุญหรือทําบาปแล้วความสุขใจหรือทุกข์ใจนี้ก็ยังสะสมไว้อยู่ในใจไปเรื่อยๆยังไม่มีการเอาออกมาใช้จะมาใช้ก็ตอนที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วอันนั้นถ้าเป็นบุญมีกําลังมากกว่าบาปความสุขก็จะ เป็นผู้ดึงใจให้ไปอยู่ในสวรรค์ถ้าบาปมีกำลังมากกว่า บ, บุญบาปก็จะเป็นผู้ดึงใจให้ไปอยู่ในอบายอยู่กับความทุกข์ในรูปแบบต่างๆทุกข์เพราะความโลภทุกข์เพราะความกลัวทุกข์เพราะความมาคาดพยาบาททุกข์เพราะว่าต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉ า, านเป็นต้นนี่แหละคือเรื่องของกรรมนะที่ พวกเราทุกคนนี้มีการกระทําอยู่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันที่เราตายไปอกรรมส่วนส่วนหนึ่งที่เราไม่ได้พูดถึงก็คือกรรมที่ไม่ใช่เป็นบุญที่ไม่เป็นบาปเป็นกรรมอย่างไรก็คือการกระทําที่ไม่ได้เกิดประโยชน์หรือเกิดโทษกับผู้อื่นเช่นการเลี้ยงดูร่างกายของเราเป็นต้น เวลาเรากินข้าวเวลาเราไปซื้อกับข้าวไปทํางานเพื่อหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเหล่านี้เรียกว่าเป็นกรรมที่เป็นกลางไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปไม่เป็นโทษไม่เป็นประโยชน์กับคนอื่นแต่เป็นประโยชน์กับตัวเราเท่านั้นอันนี้เราเรียกว่าเป็นกรรมที่ไม่มีไม่ได้ทําให้เกิดความสุขใจหรือเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เพราะเป็นการกระทำเพื่อเลี้ยงดูร่างกายเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของร่างกายเท่า น, นั้นเอง mm hmm. กรรมนี้เลยไม่มีผลต่อใจเพราะไม่ได้ไม่ได้เป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ใจแต่เราก็ต้องทำกันทุกคนเกินขึ้นมาเราก็ต้องดูแลร่างกายของเราลนะต้องเข้าห้องน้ำอาบน้ำอาบท้าแต่งเนื้อแต่งตัวร่างหน้าแปรงฟัน ไปหาอาหารมารับประทานไปทํางานเพื่อจะได้ไปมีเงินมีทองมาเลี้ยงดูร่างกายการกระทําเหล่านี้เรียกว่าเป็นการกระทําที่เป็นกลางไม่ใช่เป็นบุญหมือเป็นบาปไม่มีผลต่อจิตใจมไม่ได้ทําให้ใจสุขหรือใจทุกขขึ้นมาไม่ได้มีผลที่จะดึงให้ใจไปสวรรค์หรือดึงใจให้ไปอบายไปนรก การกระทที่มีผลกระทบต่อใจก็คือบุญและบาปนี้เท่านั้นถ้าทำบุญก็จะมีผลให้ใจมีความสุขมีความสบายใจตายไปก็จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบาปก็จะมีผลให้เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจแล้วตายไปก็จะทำให้ต้องไปอยู่ในอบาย เป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆเป็นเปรตก็คือทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็เป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็เป็นอสูรกายทำบาปด้วยความอาคาตพยาบาทก็เป็นนรกทำบาปด้วยความหลงไม่รู้ว่าเป็นบาปก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่แหละคือเรื่องของกรรมที่พวกเราทุกคนทำกันอยู่ แทบทุกวันโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็บางทีก็มีความไม่ไม่มีความเชื่อไม่มีความกลัว <c oughs> กล้าทำบาปกันเพราะคิดว่าทำบาปแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่าใครจะไปเป็นผู้รับผลบาปคิดว่าตายแล้วก็ศูนคิดว่าร่างกายเป็นผู้กระทำแล้วร่างกายต้องเป็นผู้ไปรับผลบาปเช่นไปติดคุกติดตาราง อันนี้เป็นผลเฉพาะเวลาที่อยู่ในโลกนี้ร่างกายก็อาจจะต้องถูกจับไปลงโทษได้แต่บางคนก็เก่งก็สามารถที่จะหลบเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่ได้คนก็เลยงงว่าคนทําชั่วทําไมบางคนทําไมไม่ไปติดคุกกลับไปได้ดิบได้ดีก็เพราะว่ามันไม่ได้เป็นผู้กระทําโดยตรง ผลของกรรมจึงไปไม่ถึงร่างกายผลของกรรมอยู่ที่ใจส่วนผลของร่างกายถูกจับติดคุกหรือไม่นี้ก็อยู่ภายใต้กฎของความไม่แน่นอนเรียกว่ากฎของนอนิจจังทำบาปแล้วอาจจะถูกจับไปลงโทษก็ได้หรืออาจจะไม่ถูกไปลงโทษก็ได้เพราะมันไม่แน่นอนเพราะมีเหตุมีปัจจัยอย่างอื่นที่อาจจะทำให้ไม่ต้องไปรับโทษก็ได้ เช่นมีเงินมีทองก็สามารถหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศได้กฎหมายของประเทศนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปจับเอามาลงโทษได้ดั mm. งนั้นถ้าเรามองไปที่ร่างกายเราก็จะไม่เข้าใจเรื่องของกรรมแต่ถ้าเรามองไปที่ใจแล้วเราก็จะเข้าใจ mm. เรื่องของกรรมนี้มันเกี่ยวกับใจโดยตรง ส่วนร่างกายนี้เป็นเรื่องของที่ของกฎของตายและกฎของความไม่แน่นอนบางทีก็ทำแล้วก็ไม่ถูกลงโทษและบางทีแทนที่จะถูกลงโทษอาจจะกลับได้รางวี่รางวัลก็ได้เพราะผู้ที่ให้รางวัลก็อาจจะไม่รู้ว่าผู้กระทำนี้กระทาสิ่งที่ไม่ดีมาเห็นแต่ส่วนที่เขาทำที่เป็นสิ่งที่ดี ก็เขาก็ได้รับรางวัลไปก็ได้โดยสรุปก็คือถ้าเราจะพูดถึงกรรมนี้เราพูดถึงใจเป็นหลักไม่ได้พูดถึงร่างกายร่างกายนี้อยู่ภายใต้กฎของตายรักอนิจจทุกขังอนัตตาเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะทําบุญหรือทําบาปจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีก็ตาม ร่างกายนี้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการทำดีไม่ดีร่างกายอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังความไม่เที่ยงคือเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาร่างกายนี้ไม่ได้ไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของร่างกายนี้อยู่เป็นของธรรมชาติธรรมชาติคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ ที่มารวมตัวกันเพื่อมาสร้างร่างกายขึ้นมาแล้ววันหนึ่ง่านทั้งสีน่นี้ก็จะมีการแยกออกจากกันไปตามกฎของธรรมชาติร่างกายก็ต้องแก่เจ็บตายไปตามกฎของธรรมชาติทนั้นเองแต่ใจนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติอยู่ภายใต้กฎของกรรมกฎแห่งกรรมถ้าทาบุญ ใจก็จะสูงขึ้นดีขึ้นไปตามลำดับตายไปก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆถ้าทำบาปมากกว่า บ, บุญตายไปก็ต้องไปอบายไปอยู่ในรูปแบบของดวงวิญญาณชนิดต่างๆหรือไปเกิดเป็นสัตว์เลราชานแล้วหลังจากที่ได้รับผลบุญหมดแล้วได้รับผลบาปหมดแล้วก็จะกลับมา รับร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่อีกรอบหนึ่ง<ม>สาเหตุที่ยังทำให้กลับมาเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งนี้<ม>ก็คือมีมีความอยากที่อยู่ในใจ<ม>จะเรียกว่าเป็นเป็นกรรมอีกอย่างหนึ่งก็ได้คือความอยากความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหา<ม>กิเลสตัณหาตัวนี้แหละที่เป็นตัวที่พาให้ดวงวิญญาณกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไป กลับมาทำบุญทำบาปต่อไปถ้าไม่อยากที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆก็ต้องชำระความโลภ ค, ความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปการที่จะชาระการที่จะรู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้เกิดจากความอยากต่างๆความโลภต่างๆ ก็ต้องมาเจอพระพุทธศาสนาเท่านั้นจะเจอเจอคาสอนของพระพุทธเจ้าผู้ดได้ส่งคนพบความจริงของการเวียนว่ายตายเกิดมาเกิดจากกิเลสตัณหาโมหะวิชาและถ้าต้องการยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องกาจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี้ให้หมดสิ้นไปจากใจให้ได้ ถึงัะไม่ต้องกลับมาเกิดการที่จะจะชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ก็จำเป็นจะต้องมีเครื่องซักฟอกใจเหมือนกับเสื้อผ้าเวลาเสื้อผ้าสบบกปรกถ้าเราต้องการให้เสื้อผ้าสะอาดเราก็ต้องใส่เข้าไปในเครื่องซักเสื้อผ้าใส่น้าใส่น้ายาต่างๆเข้าไป ให้เครื่องทำงานพอเครื่องทำงานเสร็จเสื้อผ้าก็จะสะอาดเหมือนของใหม่ใจของเราก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่ตอนนี้มีคราบสกปรกของกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาติดค้างอยู่ในใจที่เป็นตัวที่พาให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากที่จะทำให้ การเกิดแก่เจ็บตายของเรานี้สิ้นสุดลงเราก็ต้องซักพอกจิตใจด้วยเครื่องซักพอกของใจเรียกว่าเรื่องของการปฏิบัติธรรมนั่นเองปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือปฏิบัติทานศีลภาวนาขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคารวะหรือเป็นนักบวชถ้าเป็นนักบวชก็ใช้ศีลสมาธิปัญญา ถ้าเป็นคารวะผู้คลองเรือนก็ใช้ทานศีลภาวนาเพราะว่าคารวะยังใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องมือของกิเลสอยู่ต้องหยุดการใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องมือของกิเลสด้วยการเอาเงินทองที่ไปใช้ตามความอยากของกิเลสนี้ไปทำบุญทาทานแทนแต่สำหรับนักบวชนี้ได้สะละ เงินทองไปหมดแล้วไม่ใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องมือของกิเลสแล้วก็เลยไม่ต้องปฏิบัติทานไม่ต้องทำทานทำศีลแล้วก็สมาธิปัญญาก็คือภาวนานี่เองการภาวนาก็คือการพัฒนาการเจริญการเจริญสมาธิและการเจริญปัญญาเพราะต้องมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาถึงจะสามารถซักฟอกกิเลส ต, ตัณหา ที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้นี่คือที่มาว่าทำไมเราพวกเราจึงต้องมาทำบุญทำทานกันแทนที่ยาเงินไปเที่ยวไปไปทตามความอยากซึ่งถ้าไปทําตามความอยากก็เป็นการสร้างภพสร้างชาติให้มีมากขึ้นนั่นเองเราต้องคอยตัดภพตัดชาติด้วยการไม่ใช้เงินทองไปตามความอยากเงินทองมีไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกาย แล้วใช้กับสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีพเท่านั้นเองแต่ถ้าเอาไปใช้กับความโลภความอยากต่างๆมันก็จะเป็นการสร้างคบสร้างชาติให้มีมากขึ้นเพราะไปสร้างเพราะไปทําให้ความโลภความอยากมีกําลังมากขึ้นเมืม่อมีกําลังมากขึ้นมันก็สามารถดึงใจให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้มากขึ้นได้นานขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเราตัดการใช้เงินที่ไปใช้ตอบสนองตัาหากิเลสลงไป กิเลสตัณหาก็จะไม่เจริญเติบโตขึต้น ม, มา ก, ก็จะถูกดองไว้ถูกบอนไซแล้วจะทำให้เราสามารถที่จะใช้วิธีการอื่นมาตัดกิเลสได้ต่อไปก็คือใช้วิธีของศีลของสมาธิและของปัญญาหรือถ้าสมาธิปัญญาเราก็เรียกว่าการภาวนาทานศีลภาวนาเนี่ยทานก็คือการทำทาน เอาเงินไปทำบุญอย่าไปเอาเงินไปใช้กับกิเลสศีลก็รักษาศีลห้าศีลแปดขึ้นไปภาวนาก็คือการไปนั่งสมาธิแล้ว ก, ก็ไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาถ้าเรามีเครื่องมือเหล่านี้แล้วถ้าเราใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างต่อเนื่องสักพอกใจอย่างต่อเนื่องวันหนึ่งใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมา เมื่อใจของเราสาอาบริสุดเราก็ใจก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่มาเกิดก็ไม่ต้องมาทำบุญทำบาปไม่ต้องมารับผลบุญผลบาปอีกต่อไปการเวียนว่ายตายเกิดความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะหมดสิ้นไปความทุกข์ที่จะต้องไปรับผลของการกระทำบาปก็จะหมดไป ใจก็จะอยู่ในโลกทิที่เรียกว่านิพานไปตลอดอยู่กับความสุขตลอดเวลาเพราะเมื่อใจไม่มีความทุกข์ใจก็จะมีแต่ความสุขความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าบรลมังสุขบามังสุขถังนิบานังบรมังสุขถั ง, บบ ง, ง, งใจของพวกเรากับใจของพระพุทธเจ้านี้ไม่ต่างกันตรงที่เป็นใจ ที่มีความรู้ความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันที่ต่างกันก็ตรงที่ว่าใจของพระเจ้าบริสุทธิ์แล้วไม่มีความโลภความโกรธความหลงความอยากแต่ใจของพวกเรายังมีความโลภความโกรธความหลงความอยากอยู่แล้วใจของเราเลยจะต้องมาเกิดต่อไปอยู่เรื่อยๆมารับกับผลของการมาเกิดมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตาย แล้วก็มาทำบุญหรือทำบาปแล้วก็เวลาตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาปเองเรื่อยๆ น, นี่คือเรื่องของกรรมที่พวกเรามาเรียนรู้และมาหาวิธีหยุดมันกาจัดมันถ้าเรากาจัดกรรมคือมโนกรรมได้คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆได้ ปัญหาต่างๆที่เราพบกันความทุกข์ต่างๆที่เราพบกันก็จะหมดลงไปเพราะเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปแล้วเราไม่ต้องมาทำบุญท ำ, ทำบาปเพื่อมาตอบสนองกิเลสตัณหาของเราอยู่เรื่อยๆนี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติถ้าเราเ มีเงินมีทองก็อย่าเอาไปใช้กับกิเลสเอามาทาบุญทาทานแล้วก็อย่าไปทำบาป<ม>เพราะทำบาปแล้วก็จะทำให้ใจเราทุกข์<ม>ต้องไปรับผลของการของบาปแล้วก็มาภาวนามาซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจโดยการถือศีลแปดขึ้นไปแล้วก็ ปฏิบัติสมาธิก่อนแล้วค่อยมาปฏิบัติปัญญาเป็นขั้นๆไปขั้นตอนนี้ก็ไปปฏิบัติสมาธิไปทําใจให้สงบการจะทําใจให้สงบ ก, ก็ต้องมีที่ที่สงบมีเวลาให้กับการปฏิบัติเช่นวันนี้ก็มีเวลาอย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงได้มาฝึกสมาธิกันมาหยุดกิเลสตัณหาชั่วกาว การทำสมาธิก็เพื่อมาหยุดกิเลสตัณหาเวลาใจเราหยุดคิดใจเรานิ่งใจเราสงบกิเลสตัณหาก็ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ทำอะไรได้เมื่อกิเลสทำตัณหาไม่ทำหน้าที่ความทุกข์ร้อนที่เกิดจากกิเลสตัณหาก็หายไปใจก็จะเย็นใจก็จะสบายขึ้นมาใจก็จะมีความสงบ ข, ขึ้นมาอันนี้คือเบื้องต้นขั้นต้นของการปฏิบัติของการซักฟอ่อม เราหยุดกิเลสตัณหาด้วยกำลังของสมาธิแล้วพอเราออกจากสมาธิมาพอกิเลสตัณหาออกมาทำงานเราก็ใช้ปัญญามาสอนใจให้เห็นว่าการกระทาตามความอยากของกิเลสตัณหาจะนำพาเราไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่ไปสู่ความสุขเพราะสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราเป็นสิ่งที่เป็นความสุขชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยง มีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเวลามันเสื่อมเวลามันดับมันก็จะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาทันทีเราก็จะได้หยุดความอยากได้ไม่กล้าทำความไม่ทาไม่กล้าอยากอยากจะได้อะไรต่อไปเพราะสิ่งที่อยากได้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นอันนี้คือการสอนใจด้วยปัญญาหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิมาพอเกิดกิเลส อยากได้นู่นอยากมีนี่อยากเป็นนู่นเป็นนี่ก็มองให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี่มันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นของชั่วคราวเป็นของที่มีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปอยากอย่าไปยุ่งกับเขาเราก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปอ น, นีก็คือเรื่องของการแสดงธรรมสาหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ลำดับต่อไปเราจะมานั่งสมาธิมาหยุดกิเลสตัณหากันด้วยการหยุดความคิดปุงแต่งการที่เราจะนั่งสมาธิเพื่อให้หยุดความคิดปรุงแต่งได้เราต้องมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ด้วยการผูกใจให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานยังสมาธินี้ต้องมีกรรมฐานคืออารมณ์เช่นคาบริกรมพุทโธพุทโธนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่ง หรือการดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างหนึงหรือการสวดมนต์ไปภายในใจก็เป็นกรรมฐานผูกใจได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าเราถนัดแบบไหนทำแบบทแบบไหนได้ทำแล้วใจของเราสงบทำแล้วใจของเราเย็นก็สามารถใช้กรรมฐานแบบนั้นได้กรรมฐานนี้มีแสดงไว้ถึง40สชนิดด้วยกันก็แล้วแต่เราจะเลือกเอาว่าเราถนัด กับกรรมฐานแบบไหนเราก็ใช้กรรมฐานกับแบบนั้นไปการทำสมาธินี้มีวิธีหลากหลายด้วยกันไม่จำเป็นจะต้องทาเหมือนกันคนบางคนก็ใช้การดูลมหายใจเข้าออกบางคนก็ใช้คาบริกรรมพุทธโธบางคนก็ใช้รวมกันหายใจเข้าก็ว่าพุทธหายใจออกก็ว่าโธบางคนก็ต้องใช้การสวดมนต์ไปก่อน พอใจไม่ยอมอยู่กับพุโทโธไม่ยอมอยู่กับลมก็อาศัยการสวดมนต์สวดบทแผ่เมตตาก็ได้สัเพสตาเวลาหุนตุไปสวดไปเรื่อยสวดไปหลายๆลรอบจนกว่าใจจะเบาจะเย็นจะนิ่งแล้วมาดูลมหายใจได้ก็มาดูลมหายใจต่อก็ได้นี่คือวิธีการของการนั่งสมาธิอย่านั่งเฉย ถ้านั่งเฉยๆเดี๋ยวใจจะไปคิดีิเลสตัณหามันจ ะ, จะออกมาความโลภความอยากจะออกมาแล้วมันจะทำให้ใจไม่นั่งไม่สบายใจจะดิน้นแล้วใ จ, จไม่จะไม่อยากนั่งต่อไปแต่ถ้าเรามีกรรมฐานผูกใจไว้ใจก็จะเพลิเพลิน อ, อยู่กับกรรมฐานแล้วใจก็จะเบาลงเย็นลงความคิดก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆความสุข ก็จะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขีดที่มันหยุดนิ่งเฉยๆเมื่อหยุดนิ่งเฉยๆแล้วใจก็จะไม่เด่นไม่ไม่มีความคิดความอยากอะไรนั่งเฉยๆได้อย่างสุขอย่างสบายเบาเบาใจก็ขอให้เรามีสติอยู่กับกรรมฐานแล้วถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้มีภาพมีเสียงมีความรู้สึกของร่างกายเข้ามา ก็อย่าไปสนใจให้อยู่ผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานตลอดเวลาอยากทิ้งกรรมฐานไปถ้าทิ้งกรรมฐานแล้วเดี๋ยวใจก็จะหลงใจก็จะวุ่นวายขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นสิ่งที่น่ากลัวหรือสิ่งที่น่ารักน่าชื่นชมก็อย่าไปสนใจให้เกาะติดอยู่กับกรรมฐานไปอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวสิ่งต่างๆที่ปรากฏมันก็จะหายไป มันเป็นเหมือนกิเล ส, สมารเป็นเหมือนมารที่จะมาหลอกล่าไม่ให้เราเข้าสมาธิกันเท่านี้เพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับกรรมฐานปลูกใจไว้ให้อยู่กับกรรมฐานแล้วเดี๋ยวใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบได้แลต่อไปนี้เราก็จะนั่งสมาธิกันไปจนกว่าจะหมดเวลาประมาณ30นาที ตอนนี้เวลานั่งสมาธิก็หมดลงแล้วก่อนที่จะเริ่มนั่งก็ขอให้สังเกตดูว่าวันนี้ถ้านั่งแล้วจิตสงบดีมีความสุขดีก็ขอให้จําวิธีนั่งไว้แล้วคราวต่อไปก็เอาวิธีนั้นมาทำต่อว่าจิตก็จะสงบต่อได้แต่อย่าพยายามให้สงบเพราะความอยากให้สงบมันจะไม่ทำให้จิตสงบ ต้องรู้จักวิธีจำวิธีที่นั่งแล้วทำให้จิตเราสงบแล้วเราก็ใช้วิธีนั้นต่อไปจิตเราก็สงบต่อไปได้ต่อไปนี้ก็จะขออนุโมทนาให้พร <c oughs> ยะถาวาริวาหาปุรปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตจินังเปตานังปะกัปติ เอชิตังปทิตังทุมหังคิปะเมวาสมิจตุสภิปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยถามะนิจติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโวินาสตุ มาเตภวะตวันตาลายยสุขิติคาโยโกภวะอภิวาทนสิลิศานิจังวุธาปจายโนจตารุธรรมวัฏานติอายุวันโอสุขังพะลังช่วงต่อไปนี้ เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกตอ่อการถามตอบเพราะถ้าหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยถ้าไม่อยากจะถามเองจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ทาง f a c e b o o สามร้อยสิบแปดพัชสุชาติไลฟ์สามร้อยเจ็ด y o u t u ด e Dr. V. 41ร์วีิวิทยุออนไลน์8 Club ับเสหน้ากุฏิร้อยแปดสิบสามรวมแปดร้อยหสิบเอ็ดค่ะมีคำถามก็ถามได้เลยมีคำถามฝากถามจากหน้ากุฏิค่ะ การรักษาสีน่าท่ามกลางสังคมการทางานที่ไม่มีคนถือสีนและมองว่าทำตัวประหลาดแตกคนเพราะอาชีพที่ทำอยู่ต้องเลี้ยงลูกค้าเจ้านายชอบดื่มสุรางานเลี้ยงภายในและภายนอกเน้นสุราเมาไร้สติปกติถือสีน่าไม่ดื่มแต่ถูกมองว่าเป็นคนแปลกควรใช้ชีวิตในที่ทำงานอย่างไรดีคะล้แต่ดีมันจะเสียหายตางไหน เราดีซะอย่างผู้อื่นเขาไม่ดีก็เรื่องของเขาไปไม่ใช่เราต้องเขาไม่ดีเราต้องไม่ดีตามเขาเราต้องรู้จักแยกแยะถ้าเราอยู่กับเขาไม่ได้เราก็ไปอยู่กับคนดีดีกว่าแต่อยู่กับคนที่ไม่ดีเพราะคนที่ไม่ดีเขาจะดึงเราไปอาบายไปตกนรกกันอยู่กับคนดีคนดีก็จะดึงเราขึ้นสวรรค์ไปนิพพานกันคำถามจากคุณชวนชม กลับเรียนถามต่อจากเมื่อวานเจ้าค่ะสีลข้อวิการลโพชนาทำไมแปลงฟันแล้วปากก็ยังไม่สะอาดคะหรือเป็นเพราะถวายอาหารเวลาวิการให้พระแต่ชาติปางก่อนเจ้าค่ะปากเลยไม่สะอาดไม่สะอาดเพราะทาเพราะทำความสะอาดไม่เรียบร้อยก็ต้องแปรงหลายๆรอบจนกว่ามันจะสะอาดคำ ถ, ถามจากคุณพานุวัฒน์ค่ะจากข่าววัดใหญ่เมื่อไม่กี่วันนี้ ทำให้คนรู้จักส่วนใหญ่แจ้งว่าต่อไปจะไม่ไปทำบุญที่วัดอีกแล้วเราสามารถบอกเขาได้อย่างไรครับว่ายังสามารถทำบุญได้เหมือนเดิมครับไม่ใช่นาะนที่ของเราจะไปบอกใครปเป็นเรื่องของเขาเขาจะทำไม่ทำนี่เราไปบอกเขาไม่ได้นอกจากถ้าเขาถามเราเราก็บอกเขาได้แล้วเราอย่าไปเหนื่อยกับเรื่องของคนอื่นให้มาเหนื่อยกับเรื่องของเราดีกว่า คำถามจากคุณพีระค่ะค่อนข้างยาวนิดหนึง่งเรื่องภาวนาค่ะโดยปกติผมจะบริกรรมพุทโธธโมสังโฆ จะมีสติจดจ่อได้ดีที่สุดคือไม่มีความคิดฟุ้งซ่านแต่ในบางครั้งความคิดจะฟุ้งซ่านมากพอดึงสติก็จะกลับมาแ ป, ป๊บเดียวจากนั้นก็จะไหลไปกับความคิดอีกพอดึงกลับมาก็อยู่ได้เดี๋ยวเดียวก็ไหลไปอีกผมก็จะเปลี่ยนเป็นการดูลมที่ปลายจมูกบ้างและบางครั้งก็บริกรรมพุทโธอย่างเดียวก็ทำให้มีสติ จ, จดจ่อได้ดีบ้าง แต่ก็มีบ่อยครั้งที่สติไม่จดจ่อกับคาบริกรรมใดเลยความคิดฟุ้งมากครับต้องสวดอิติปิโสหลายจบบางทีก็ดึงมาได้บางทีก็ตัดความคิดไม่ได้เลยจนกระทั่งทนภาวนาจากการเจ็บเข่าไม่ได้ก็จะออกจากนั่งสมาธิครับไม่ทราบว่าการเปลี่ยนคาบริกรรมในการภาวนาไปจนกว่าจะตัดความฟุ้งซ่านจะเป็นการจับจดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นคนไม่มีน้ำอดน้าทนหรือไม่ครับ ไม่หรอกมันเรื่องของการไม่มีสติมากพอเราต้องเจริญสติระหว่างวันเลยไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งต้องเจริญสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปอาบน้ำอาบน้ ำ, นำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปต้องพยายามทำทั้งวันและเวลามานั่งจิตจะไม่ฟุ้งซ่านจะสงบได้ง่ายได้เร็วได้นาน คำถามจากคุณอมอ น, นัดพอดีผมตกงานแล้วมีโอกาสได้มาเป็นพนักงานกัญชาแบบถูกกฎหมายอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าอาชีพนี้บาปไหมครับมันเป็นอาชีพที่ไม่ควรจะทาเพราะส่งเสรไม่คนเมาคนขาดสติแล้วก็ จ, จะไปทำรายทูนต่อไปได้เหมือนกับสุลายาเมาอยากขายสุลายอยาขายยาฝิ่นกัญชาอะไรพวกนี้เป็นอาชีพที่ไม่ดีไม่ควรจะทา คำถามจากคุณประพันธ์นั่งฟังธรรมครึ่งชั่วโมงต่อด้วยการ น, นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงด้วยอาณาปณสติแล้วเผลอจิตก็คิดไปในอดีตรู้สึกตัวก็กลับมาที่ลมเผลออีกจิตก็ไปคิดถึงสิ่งที่จะทําในอนาคตจิตไม่สงบจนหมดเวลาควรปฏิบัติต่ออย่างไรครับควรจเจริญสติต่อไปอย่าจเจริญสติเฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิตอนั้นต้องจเจริญทั้งวันเลย ลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปหรือเข้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วเวลานั่งสมาธิจะมีสติมีกําลังมากแล้วจะนั่งสงบได้ง่ายได้เร็วคําถามจากคุณออนค่ะนั่งสมาธิแล้วมักจะเพลินหลับไปแก้ไขอย่างไรเจ้าคะก็เหมือนกันสติไม่มีมากพอก็เลยหลับ อ, อย่างหนึ่งก็เกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไปด้วย อ, อย่าไปนั่งสมาธิตอนที่กินอาหารเสร็จใหม่ๆนั่งแล้วมันจะง่วงมันจะหลับถ้าอยากไม่หลับนั่งตอนที่ก่อนจะกินตอนถิวนี่มันจะไม่หลับแต่มันจะไม่มีสติอยู่อยู่กับพุโทโธมันจะคิดแต่เรื่องอาหารถามหมดค่ะญาติโยมคนไหนอยากจะถามไหมมีเวลาตอนนี้ช่วงนี้สะดวก พี่จถามไม่ต้องเกรงใจเาขาถามพี่ก็ถามว่ากวดน้ํากับแผ่เมตตาต่างกันไหมคะต่างกันไหมคะจะว่าต่างก็ต่างจะว่าเหมือนก็เหมือนคือการกวดน้ํานี่หมายถึงเราทําบุญแล้วพอเรามีบุญเราก็กวดน้ําอุทิศให้กับคนตายไปอันนี้เรียกว่าเป็นการอุทิศเป็นการกวดน้ําไปแบ่งบุญให้กับผู้อื่นไป แต่การแบ่งบุญนี้ก็ถือว่าเป็นการแผ่เมตตาด้วย<ม>ทําให้ผู้อื่นก็มีความสุขก็<ม>จะว่าเป็นทั้งเมตตาก็ได้เป็นทั้งการอุทิศบุญก็ได้แการเมตตาไม่ได้หมายความว่าจะต้องทําแต่อุทิศบุญอย่างเดียวเรามีข้าวของเงินทองเรามาแจกคนนีน้คนนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาได้เหมือนกันเข้าใจว่าแผ่เมตตาให้กับคนเป็นหรือเข้าใจว่าแผ่เมตตาให้กับคนเป็น การอุทิศบุญอุทิศบุญให้กับคนตายก็ใช่ต้องอุฒิเพื่อให้คนตายแต่คนเป็นก็เราก็ให้ความเมตตากับเขาเรามีข้าวของเงินทองเหลือกินเหนือใช้ล้วก็แจกเข้าไปเขาําลังทะเลาะกับน้องบอกว่าท่านก็แผลไม่ตายทุกคนอ่ะหนูเลยบอกว่าทำไมไม่อุทิศบุญให้กับคนตายบ้างล่ะที่กับคนที่ใกล้ผูกพันกันเถอะแล้วให้เขาได้บ้างคือคนตายรับการเมตตาของเราไม่ได้รับเงินรับทองจากเราไม่ได้ เขรับได้เพียงแต่บุญอย่างเดียวอุทิศบุญใช่ไหมคะใช่แล้วเราต้องทำบุญ <จะ S 1> ส่งไปจะได้ใก็ใแยกสองอย่างแต่ถ้าจะให้ความเมตตากับคนเป็นก็มีข้าวของอะไรก็ไปแจกจ่ายคนเป็นรับรับข้าวของดีกว่ารับบุญคุณจะบอกคุ็จะบอกคราวสั้นๆแค่นี้ <laughs> แล้วคนตายก็มารับอุทิศบุญอุศน์ไปเราจะหนุนนี่เข้าใจถูกแหละอุทิศบุญให้คนตายแผ่เมตตาให้คนเป็นก็ได้เอาแค่นี้โอเคหนึ่งเพื่อภาวนาไปเรื่อยๆกลาวเปียนพระอาจารย์กล่าวเปลี่ยนพระอาจารย์เจ้าค่ะได้ตักบาตรทุกเช้าแล้วมีบางคนเขาก็กรวดน้ําตรงที่ตักบาตรแล้วพระบางพระท่านก็เอ สวดให้เจ้าค่ะอีนี้บะบางเราฟังมาว่าถ้าพระให้ให้ให้บทสวดตรงนั้นจะบาปไม่เจ้าค่ะไม่เกี่ยวกันหรอกพระเรื่องการอุทิศบุญนี่พ้าเราทําบุญแล้วเราอุทิศได้ทันทีไม่ต้องมีพราะมาสวดให้เราหมายถึงเาขาอุทิศส่วนกุศลให้คนที่ตายไปแล้วเจ้าค่ะเนั่ยแหละพระอุทิศให้ไม่ได้<อ>ต้องคนทําคนทําบุญเป็นคนอุทิศ พราเพียงแต่แสดงความยินดีชื่นชมยินดีกับการทําบุญของเราเท่านั้นเองแต่ก็เห็นมีบางองค์ท่านทําให้ก็เชืเ่อแบบผิดๆกันไปไงก็ค่ะถ้าทําทำบุทิดบุญให้คนหนุนไม่ได้เพราะพระไม่ได้ทําบุญโยมเป็นคนทําบุญโยมบุญเกิดที่โยมไม่ได้เกิดที่พระนั้นโยมต้องเป็นคนอุทิศเองคือบางคนไม่ไม่ทราบ เขาไม่รู้ไงก็ไม่ศึกษาไม่ฟังเท็จฟังธรรมเชื่อกันมาแบบไม่ไม่ศึกษาก็เลยเชื่อกันแบบผิดผิ ด, ผดถูกๆูกไปก็เลยสอบถามแล้วจะได้ไป<ช>บอกเขาให้ทราบเจ้ขขาค่ะอุทิศบุญนี้ไม่ต้องมีพระไม่พระไม่เกี่ยวที่พระส่วนี้ส่วนเท่บอกว่าชื่นชมยินดีและผลของบุญนี้จะทำให้ญาติโยมสุขให้เจริญแค่นั้นเอง เห็นว่ามีแบบด้วยเช้าแมเจ้าค่าที่พระท่าน ท, ทําให้ท่านต้องท่านต้องไปสารภาพบาตร น, นี้เขาเรียกว่าทำอาบัตคือท่านทําทผิดกฎพระวินัยที่ไม่ร้ายแรงก็ไปสารภาพได้ถ้าร้ายแรงก็ต้องลาสิกขาไปแค่นั้นเองอันนี้เป็นเรื่องของพระไม่เกี่ยวกับโยมกยากพบคุณจะ อ, อ่ามีใครอยากจะถามอีกเชิญถามได้นะอืม อถามอีกข้อหนึ่ะตรงไม้ไปข้างหลังควรจใกล้ปากของเราพระปฏิบัตกรนีหร้หมายถึงอะไรคะเการอยู่กรรมการติดคุกของพระเนี่ยพระนภาทสังฆาฏิเศษข้อห้ามรองจากปราชิกถ้าทําปำราชิกนี้ต้องสึกไปเลยแต่ถ้าทําำทื่เราทาผิดในระดับสังฆาฏิเศษนี่ถ้าให้ไปอยู่กรรมหรเหมือนกับไปติดคุกตัดจิตทุกอย่างหมดไป เป็นถ้าเทละก็ต้องมาเป็นพระถ้าเริ่มต้นใหม่เหมือนถ้าไม่มีพรรษาใหม่แต่อยู่เฉพาะเวลาที่ทําผิดเท่านั้งเจ็ดวันเจ็ดวันสิบห้าวันแล้วแต่แล้วแต่ว่าถ้าปิดไว้นานก็อยู่นานหน่อยครับทําผิดแล้วก็ไปสารภาพเลยก็ติดแค่เจ็วันติดทุกแค่เจ็ดวันอย่างขั้นต่ำนี่กี่วันคะถ้าเป็นเหมือนพระขั้นต่านี่กี่วันคะอะไรขั้นต่ำเจ็ดวันปัดเจ็ดวันแลอวพอทําวันนี้ปุ๊บก็ไปสารภาพเลยก็ไปติดทุกเจ็ดวัน แต่ถ้าเก็บไว้ปีหนึ่งก็ต้องไปติดคุกหนึ่งปีเจ็ดวันกันหนึ่งปีจ<ท>า <ำ S 1> ไว้นะว่าบาปเราล้างไม่ได้นะทําบาปแล้วล้างไม่ได้บาปมันไม่มันต้องอยู่ต้องใช้บาปมันแต่เราสามารถสร้างบุญเพื่อมาแย่งเวลาของใจไปได้คือถ้าเราทําบุญมากกว่าบาปเวลาตายใบบุญจะทําหน้าที่ก่อนถ้าบุญมากกว่าบาป บุญแตบบาปที่ทํามันยังรอเวลาอยู่รอเวลาที่บุญน้อยกว่าบาปบาปที่ทํามันก็จะแสดงผลต่อไปอืงั้นทางที่ดีอย่าทําบาปถ้าทําแล้วก็พยายามทําบุญไว้เยอะๆไว้ต้านมันก่อนแล้วเหมือนกับให้รอลงอายาอย่าเพิ่งจับไปติดคุ ก, คก ม, มีบุญมาช่วยไว้ก่อนช่วยไม่เาบาอ่มาะมันถึงเวลาก็ต้องบอกโผล่ขึ้นมาเวลาใดที่ใจเรามีบุญน้อยกว่าบาปเวลานั้นบาปก็จะ มาขึ้นมาแต่เวลาใดที่บาปที่บุญยังมีมากกว่าบาปบาปก็ยังแสดงผลไม่ได้ไม่มีไม่มีทำแล้วก็ต้องจะต้องใช้ช้าหรือเร็วเั่หนึง อ, อ, อย่าทำบาปดีที่สุดทำแต่บุญตายไปบุญก็จะดึงเราไปสวรรค์ถ้าเราอยากจะไปนิพพานก็ไปปฏิบัติภาวนาไปนั่งสมาธิไปเจริญวิปัสสนา มิจนาอริยสัจสีตายลักมีดวงตาเห็นธรรมก็จะละกิเลสตัณหาได้เมื่อกิเลสตัณหาถูกชำระไปหมดจากใจใจก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจก็ไปนิพพานอของพวกนี้ต้องปฏิบัติเองปฏิบัติแทนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปหวังว่าจะเจอคนนั้นคนนี้แล้วเขาเจะปฏิบัติให้กับเราทาไม่ได้ มันกินอาหารเน่ะเราต้องกินเองร่างกายเราถึงจะอิ่มคนอื่นเขากินอาหารแทนเราไม่ได้ซึ<ม>่งบางคนเข้าใจผิดบางทีเพื่อนบ้านไปทําบุญแล้วกลับมาเอาบุญนาฝากอ น, นี้ฝากไม่ได้บุญใครบุญมันนะ<ม>เอเพียงแต่บอกให้เราชื่นชมยินดีกับการทําบุญกับเขาเท่านั้นเอง<ม>เ อ, อนุโมทนาเราก็จะได้ความสุขเอราเราเราต้องทําเอง หรืออาจจะพูดเพื่อให้เรามีกําลังใจเพื่อเราจะได้ไปทําบุญเหมือนเขาใช่อืแต่เราต้องทํากันเองบุญหรือบาปนี้ต้องทํากันเองและเป็นผู้รับผลของของของตนเองอคนอื่นไม่มารับผลให้กับเราดัน้นขอให้เราเชื่อบาปเชื่อบุญว่าเป็นของจริงมไม่มีใครสามารถที่จะล่วงพ้นเรื่องกฎแห่งกรรมได้ทํากรรมอนไดไว้ ไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปจะต้องเป็นผู้รับผลของบุญและบาปนั้นต่อไปในภายภาคหน้าง้นอย่าประมาณให้เราเชื่อบุญแล้วกลัวบาปเราจะได้ทำแต่บุญไม่ทำบาปแล้วเวลาตายไปดวงวิญญาณของเราก็จะมีแต่บุญพาเราไปสวรรค์ชั้นต่างๆได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นนสรลกายไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องมาเกิดเป็นสัตว์ในราฉาญ ถ้าบาปเราไม่ทํานูด่ดทำน้อยกับบุญบุญก็จะพาเราให้ไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆมีอยู่หกชั้นด้วยกันสวรรค์หกชั้นถ้าอยากจะไปสูงกว่านั้นก็ไปชั้นพรหมก็ต้องไปฝึกสตินั่งสมาธิอ uh huh. ก็จะไปสวรรค์ชั้นพรหมถ้าอยากจะไปเป็นพระอริยบุคคลก็ต้องไปเจริญปัญญาว uh huh. ิปัสสนาเห็นทุกข์สมุทัยนี่รอดมากเห็นตายลักอันนี้จังทุกขังอนัตตา พาะใจก็จะตัดกิเลส ต, ตัดความโลกความอยากต่างๆได้ใจก็จะเป็นพระอาริยะบุคคลเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระนาคามีพระอรหันต์ตามลําดับไป mm. แล้วก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะการเกิดมันเป็นทุกข์เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันเป็นธรรมดาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่เกิดทุกข์ย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้น ถ้ามาเกิดแม้จะมาเกิดร่ำรวยเกิดใหญ่โตก็ยังต้องเจอความทุกข์อยู่ะง mm hmm. นั้นการไม่เกิดนี้ดีสุดดีที่สุดก็ต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาเป็นขั้นๆไปทำบุญทำทานตามกำลังของเราแล้วก็รักษาศีลห้าไปก่อนแล้ววันพราก็มาลองหันรักษาศีแลแปอยู่วัดสักวันหนึ่งเดินจยงกรมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมฝึก mm hmm. ไปเรื่อยๆต่อไปก็จะทาได้มากขึ้นมากขึ้น ถ้าในที่สุดก็สามารถไปบวชได้พอบวชได้ก็จะมีเวลาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่<ม>ถ้าปฏิบัติอย่างเต็มที่พระพุทธเจ้าก็รับรองว่าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปี<ม>จะต้องบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นขอให้เรามีศรัทธามีความเชื่อมั่นในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพยายามปฏิบัติให้เต็มที่ปฏิบัติ ด, ปตดีปฏิบัติชอบ